تقربكم ن ن ا تقربكم عندنا زلفا، إلا من آمن وعمل صالحا. لهم جزاء الضعف بما عمروهم في الغرفات آ م ن و الله أ ع วะวะขขย الح ا ل มนุร م نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ي ه د ه الله فلا مضلله و م يضلل فلا ه ا ه د له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا و ب ك أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ت م ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر م ع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم ر ض ي بالله رب إ أ و บิ ا ิสลามดีน ن ละว محمد الرسول اللهم إني أعوذبك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذبك من ع ذ ا ب في النار و ع ذ ا ب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصري سبحان الله و ب ح م د ه عدد خلقه ورضى نفسه วิญญาตอาร์ซฮีว่มิดาคัลิมัตีฮี assalamualaikum رحمت الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมยะมาสุบะที่มัสยิดของอัลลอฮ์และพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับตับซีที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านทุกๆท่านครับอะลัยฮุิลลัลละก่อนยืนเราทุกคนต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานหูบตาดาให้หัวใจเราเนี่ยโยมกับอัลลอฮ์ผูกพันกับอัลลอฮ์ นอกจากโยแล้วยให้สสอสะดดียกย่องชมเชยอัลล์ุบฮานะฮวตาลาเยๆภาษาที่ท่านนบี Muhammad สอนให้เรายมกับอัลล์ก็คือุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลลัลลอฮ์อัลลอฮอักบารุบฮานัลมาลิกินกุดดุสลาฮาวล์แะลาควูเวอิลลาบิลลาอัลลอฮอักบาร อัลลอฮ์เนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นศักท์ที่อัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยมาอ่านเอาไว้นึกถึงอัลลอฮ์ชมเชยสรรเสริญยงยงอัลลอฮ์สุบฮานะอุบวาตานึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยได้อะไรในอกุรอานอธิบายไว้นะพูดไว้หลายครั้งแล้วนะอะไรบ้างเช่นอัลาบิซิคริลลาฮิตัดมาอินนุลกุลูบ อาลาแปลว่าจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละจะทําให้หัวใจของท่านเนี่ยสงบหัวใจสงบ ก, ก็คือปกป้องโรคเครียดปกป้องโรคซึมเศร้าปกป้องโรคในเรื่องคิดคิดมากๆเนี่ยที่ฆ่าตัวใจกันเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอะไรเอาควันลมแล้วก็ตายทั้งหมดทั้งครอบครัวเนี่ยนี่ก็เพราแต่เพราะว่าหัวใจของเขาไม่สงบ ก็สงสารคนเหล่านี้นะหาทางออกของชีวิตไม่ได้คุรานอธิบายอย่างนี้ว่ามัยยะตะติลละยะเจลละหูมักรจะใครที่กลัว a ลล a h ภาษาที่พ่อหน่อยก็ใครที่สำรวมตนต่อ a ล l a อล l l a h จะให้ทางออกแก่ชีวิตของเขามีตักว่าต่อ a ล l a h มีกลัว a ลล a h นึกถึง a l ล a h เยอะนี่มีทางออกสาหรับชีวิต เรื่องตันไม่มีพอไปไปสาว่าเออมันจะไปไม่รอดที่ไหนได้มีทางออกมัครรชแปลว่าทางออกเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะพวกเราทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนทะ่านึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยนะตัวเราเองก็มีวรรากะครอบครัวเราก็มีวรรกะสิ่งวแวดล้อมมีวรรกะหมดเลยเหมือนกับยุค ข, ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลล็อปในอัลสลัมนะครับบรรดาสุฮาบะฮ์ของท่านนาบีเดินตามนาบีหมด เพราะฉะนั้นอยู่กับ Allah, Allah, อัลลอฮ์พี่น้องชมอัลลอฮ์เอาหัวใจไปโยงกับอัลลอฮ์ถ้าเอาหัวใจไปโยงกับวัตถุเนี่ยอาซาบตามาเต็มเลยอ ย, อย่างที่ผ่านมาอ้นานบีนัวหัวใจโยงกับอัลลอฮ์แล้วคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์เป็นไงอัลลอฮ์ก็ให้ลงโทษโดยการจมน้ำตายอ้าวในสมัยฟาโรห์ใช่ไหมคนที่โยงกับอัลลอฮ์กับนบีมูซานาบีฮารูน และคนที่อีมานตัวนบีมูซานะครับพยาฟาโรนอกนั้นอัลล์ลงโทษหมดนะอาซามาาจมน้ำตายบางอาบางทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่อ่านอลัลกุรอานนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องริสกีใช่ไหมอาะยาที่สามสิบหกริสกีใช่ไหมอ่ คือคนกาเฟ่เนี่ยเข้าใจผิดอ่าเข้าใจผิดคิดว่าคนที่มีสตงนะางค์อัลลอ์รักใช่ว่าไม่ใช่อ่าอย่าไปคิดว่าคนที่มีสตางค์เยอะมีอำนาจเยอะเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนี่ปูนนั่ น, นอยู่ในประเทศเนี่ยนะคนนี้พระเจ้ารักอลัลลอ์รักแล้วก็เวลาทหากมีวันเกียร์มาถ้ามีวันเกียร์มาฉันฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งฉันก็ไม่ถูกลงโทษอนะ่ะ อยู่บนดุ่นยาเนี่ยฉันยังไม่ถูกเลยเนี่ยจับคนอื่นลงโทษหมดตัวเองปลอดหมดนี่เข้าใจผิดทั้งหมดอเล็กก็มามาขจัดความเข้าใจผิดคุณอานอายาที่36มสงบูกฝังฟันี้แหละกุลอินนลอร์บบียับชุตุลริสกคลิไมยาชาอุบยาอุดร ولكن أكثر الناس لا ي ع ل มูนจงกล่าวเถิด มุฮัมมัดเอ๋ยสอนคนที่คิดอะไรผิดๆเนี่ยคิดใหม่แท้จริงย่าปสุตุริสกลีมายะชะพระผู้อภิบาลของฉันทรงขยายเครื่องยังชีพให้กว้างขวางแกผู้ที่เอาล่อทรงประสงค์ไม่ได้หมายความว่าแกผู้ที่เอาล่อทรงรักไม่ใช่ <c oughs> ของที่เอาลออรักอะไรหรือเปล่าศาสนาอีมาน ฉะนั้นอีมาเนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้คนบางคนนะพระจ้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใครทุกคนหรอกฉะนี้ดุลยาเนี่ยนะเงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับคนที่อัลลอฮ์รักและไม่รักคนเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หมดเลยนะเงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งแต่ของที่อัลลอฮ์รักคืออิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้เฉพาะคนที่หัวใจโยงกับอัลลอฮ์เท่านั้นเองฉะ้นเข้าใจผิด อย่าไปเข้าใจว่าเงินเป็นตัวชี้ว่าคนนี้นะเงินเยอะอัลลอฮ์รักคนนี้จนอัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่รักไม่ใช่อยู่ที่ إ ي م านอย่างเดียวนะเอาวันนี้อายาที่สามสิเจ็ดนะครับว <c oughs> ่ามาอัมวาลุคุมวะลาอาลาดุกุมบิลละติตุกริบุกุมอินดานาซุลฟา إلا من آمن ََ وعمل َِ ص ا ل ِ ح ا ف فأولئك َِ لهم جزاء د ا ع ِ بما عملوا وهم في الغرف َ ا ت ِ آمنون الحمد لله. و َمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ز ُ ل ْ ف َ ا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ว่าม์ในห้องรอบที่อาเมนอุณหภูมินี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นะเ ข, ข, ข้าใจง่ายๆก่อนนะคือมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งจุลฟ้าจุลฟาเนี่ยแปลว่าเข้าใกล้อัลลอฮ์โดยสนิทเข้าใกล้อัลลอฮ์โดยสนิทนะอะไร อะไรเป็นตัวที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเข้าใกล้อลลอฮฺโดยสนิทนี่เป็นคําถามที่ตั้งขึ้นมาก่อนเพื่อเข้าใจง่ายๆนะอะไรเป็นตัวทำให้คนคนหนึ่งจะเข้าใกล้อลลอฮฺเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัวที่จะทําให้เขากับอลลอฮฺเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันอลลอฮฺ Allah อธิบายอันนี้ไม่ใช่เงินอ่าเป็นการขาจัดความเข้าใจผิดของคนบางคนในโลกนี้ใช่ไหม ยา่าคิดว่าเงินเป็นตัวช่วยทําให้เรากล้าชิดกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ดูกุณาครับวามาอัมวาลุ ก, กุมมาแปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สินของสูงเจ้าชัดไหมชัดเลยครับไม่ใช่ทรัพย์สินของสูงเจ้าว่าละเอาละดุกุมและไม่ใช่ลูกลูกหลานหลาน หรือพวกยังไงพวกคนนี้มีพวกเยอะโอ้โหมีพวกกลเป็นเท่าไรอนะ่ะเป็นแสนคนยกตัวอย่างหัวหน้าพูดจะได้ในหลูกน้องตามหมดเลยอ่ะมีแสนคนไปล้านคนอ่ะนี่พวกจนหน้ากำบงกันเมืองด้วยนะสอนให้คิดนะเงินกับพวกไม่ใช่เป็นอะไรนะครับบิลลาตีตูกกรีบูกุมกอร์บะโยกอร์บว่าเข้าใกล้ อินเดานาเข้าใกล้เราซุลฟาเข้าใกล้โดยสนิทชิดเชื่อเลยไม่ใช่นูกไม่ใช่เงินไม่ใช่พวกที่จะทำให้ท่านทั้งหลายนี่กล้าชิดกับเลาโดยสนิทไม่ใช่เงินไม่ใช่พวกเห็นไหมไม่ใช่ตำแหน่งด้วยเอาล่ะอักบัเห็นยังครับนี่เปิดหูเปิดตาหรอยัง วันนี้ที่มีปัญหากันอยู่เนะี่ยเพราะคนมันหลงผิดเข้าใจว่าต้องมีต้องมีเงินใช่ไหมน่ะมีธุรกิจดีมีเงินดีพอเงินขาดนิดหน่อยเนะี่ยโวยวายนะ่ะนี่ขาออกมาอะไรนะเผาเยอะมากแตรวมอะไรนะ่ะตายทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมเห็นยังอ่ะเขาเห็นแล้วก็สงสารนะนะอัลลอฮ์นี่เข้าใจผิดนี่ถ้าอ่านกรุรอานเนี่ยอลัลลอฮ์เปิดใจอัลลอฮ์อลัลบาสา ง, งามเลยอลัลลอฮ์รักอะไร ถ้าต้องการจะให้อัลลอ์รักมีทางออกอิลลามันอามะนะอัลลอฮอักบะตนอกจากอิลลาไปนว่านอกจากมั่นอามะนะผู้ใดที่ศรัทธาเห็นยังครับตัวอีมานตั้งหากนะที่จะทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอ์ไม่ใช่เงินไม่ใช่พวกอัลลอฮอักบะต ไม่ใช่คนอัลลอฮ์ถ้าจะให้คนเรานี่อีมานทําตัวกล้าชืกอัลลอฮ์ไม่ยุทธทางเดียวอะไรนะเรียนรู้เรื่อง إيمان สักอีมานอะไรบ้างอ่ะอิมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อรอซูลอีมานต่อข้ามพี่อิมานต่อมลิก้าอีมานต่อวันสิ้นโลกอิมานต่อกฎกอดอกดับที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์กำหนดแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจเรื่องอีมานหกข้อเนี่ยนะ นั่นแหละเป็นตัวทาให้เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺสุฮาหนะฮุวะตาลาเข้าใจง่ายนะว่ามาอัมวาลุกุมวะลเอาละดุคุมบิลละติตุคอริบุกุมไงนดานะซุลฟาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ ทีบางคนเอาโต๊ะตะเกียบมาเป็นรุลฟามีเป่ามีเอาโต๊ระรอยองมาเป็นรุลฟ้ามีไหมมีเอาหมอดูมาเป็นรุลฟ้ามีไหมมีอโง่รั oh บไปเข้าใจผิดหมดเลยผิดจะรุลฟ้าได้จะทําให้ใกล้ชิดสนิทสนมนกับอาล้อได้หนึ่งอามานะนาหนึ่งอีมานร้องลงมาก็ที่สองวา so อามิลาโซลิฮันอามั่นที่สองแล้ว อามันจิซอแล้วก็คืองานที่ท่านอบีทําเป็นรูปแบบเอาไว้เอาเช่นอะไรบ้างมานำมาที่มสัสยิดเป็นอะไรอามันอะไรอามันจีซอแล้วเดินออกจากบ้านมามสัสยิดเป็นอามันจีซอแล้วจ่าย zakat อามันจีซอแล้วช่วยเหลือคนนะครับด้านการเงินการทองเยี่ยมเยียนคนป่วยเป็นอามันจีซอแล้วติดต่อกับญาติพี่น้องตัวเองเป็นอามันจีซอแล้ว ไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมแม่เป็นอามันติซอลแล้วดูแลภรรยาให้ดีอย่าตบตีภรรยาเป็นอามันติซอลแล้วภรรยาก็อยู่บ้านอย่าแต่งตัวออกนอกบ้านบ่อยนักใช่ไหมเป็นอามันติซอลแล้วหมดเลยอบรมลูกพูดจา ก, กับลูกดีๆเป็นอามันติซอลแล้วทั้งหมดอ่ะเวลาเดินสายตาอย่าชะง้อเปนอามันติซอลแล้วมองตามๆหน่อยอามันติซอลแล้วอาผมนั่งนึกอยืนนี่นั่งอ่านสวะ บ, บ้านอับดุลเบลบางคนเป็นอองี้ื อามันจุซซล้นะครับเช่น <c oughs> มีซาบานาบีคนหนึ่งเนี่ยลุขึ้นนมาตะให้ยุบของกลางคืนเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะแล้วก็มีเอาเชือกมาผูกในะระหว่างสองสองเนี่ยสองะไรนะสองเสาเนี่มาตอนเช้ามานาบีเห็นนี่เชือกอะไร ก็บอกนี่เชือกเอาไว้ผู้หญิงเขาลุกขึ้นนมาตแต่เขาช่วแล้วลุกขึ้นไม่ไหวนี่วะเพราะเรามันแย่ๆก็พิงเชือกอนมาดไปพิงเชือกไปแสดงว่าโอ้โหนมาดจังเลยนั บ, บว่าแก้ออกถ้ายืนไม่ไหวก็นั่งท่านศาสนาจะคิดเองอามัน่นจิตใแล้วไม่ต้องยืนในขนาดนั้นหรอกัหร อ, อยืนขนาดยืนไม่ไหวยังพิงเชือกนมาได้นะอย่าทําอย่าทำอย่าทําท ฟัตตะกุลลอَ์มัสตาตาตุมให้ทาความดีเท่ากับตัวเองมีความสามารถอย่างนี้เป็นต้นนี่ดีไหมนี่อมันสซเล่ต่างกันอย่าอ้ออัตตามากรฟาอุ ئ ั ك َ ل ล ه ُุมสำหรับเขาเหล่านั้นที่อีมานต่ออัลลอฮ์และมีอมันสิซเล่เนี่ยมาดูรางวัลลาฮุมสำหรับพวกเขานั้นยาแปลว่าการตอบแทน มีรางวัลตอบแทนกี่เท่าครับอัลเดียฟิสองเท่าสองเท่าอัลลอฮฺอักวาตาก็ผ่านมาแล้วนะทำความดีหนึ่งได้สิบใช่ไหมนะที่ผ่า น, นมานะนะทำความดีหนึ่งเท่าอาลัลลอให้สิบบางทีก็ยี่สิบบางทีก็สามสิบสี่สิบถึงเจ็ดร้อยเท่าทำความดีน้ำมาก็มากกันเลยบางคนได้หนึ่งเท่า บางคนได้สองเท่าบางคนได้สิบเท่ายี่สิบเท่ามันอยู่ที่เนี้อแล้วก็อัคลาดท่าทางตั้งตรงตั้งแถวอลัลลอฮ์เช็คมาเลยนะ่ะแต่นนมาแต่ละคนแ ต, ต่ละคนเนะี่ยผละบุญได้ไม่เท่ากันนะบางคนใจลอยแค่ว่านมาคอยยืนในสุเราวเหมือนกันนั่นแหละไอ้ใจลอยเยอะๆเนี่ยได้เท่าไร่ก็นึกตัวเลขเองก็แล้วกันฉะนั้นสําหรับคนที่มีอ إ ي م านต่ออัลลอฮ์ แล้วก็มีอามันสิซอแล้วนี่อัลลอสัญญาในกรพิรุรอารเลยนะ <S 2> <S 2> ฟาอูแลอิกะแหุมสำหรับเขาเหล่านั้นมี จ, จัจาอุดดาฟีมีการตอบแทนกี่เท่าเดยขึ้ไหมว่าดับเบิลสองเท่าเท่าัานดลหำลังใจมีไหมมีทำความดีในอายะอื่นหนึ่งถึงสบอ่าอย่างนี้เป็นต้นถึงเจ0ดร้อเท่าเนี่ยใ น, ใ น, ในอายะอื่นเช่นอะไรบ้าง ให้สังเกตดูทุกนาเราเนี่ยมีข้าวออกมารวงหนึ่งแต่มาเราก็รวงนึ่งมีแล้มีข้าวออกมาต้นเนึ้อมีสิบเจดรวงรวงละหนึ่งรอยหนึ่งร้อยนั่นก็เจร้อยอ่ะบนดุนยาให้เห็นนะแต่อีกร้อยอีกเท่าไหร่มองไม่เห็นนะฉะนั้นของที่สังเกตก็คือเวลาใครที่บริจาคทรัพย์ในคนทางก็อัลลอฮหนึ่งบาทอัลลอฮ์ให้ถึงเจ็ดรอยบาทมันอยู่ที่อิคลาหรือไม่อิคลาสตอนนั้นเองนะครับ ต่อมาครับปีมาอามีลูตามที่พวกเขาได้ปฏิบัติอัลลอฮอักบารมันขึ้นอยู่กับอามันที่ซแลมวหเลยนะวะฮุมฟิลูรฟะทิอามินูนูรฟะต่อจากุรฟะแปลว่า ห, ห้องห้องจ่นี่หมายถึงวิมาินหมายถึงสวรรค์อัลลอฮอักบัร คนเหล่านี้นะที่อยู่ของเขาบ้านปลาอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องอยู่ในวิมานเป็นพระุพจน์ด้วยนะกุศวัตุนกุศวัตาเนื้อรอ่านแต่ว่าวิมานหลายๆห้องอัลลอฮฺอัลบอกอยู่ในสวนสวรรค์ออกหรือไม่ออกมีความกลัวไหมอัลละฮฺ Allah. อธิบายตรงนี้เลยอ้ามินูนปลอดภัยอัลลอฮฺชีวิตในสวนสวรรค์มีจริงครับ <c oughs> นบีเคยเข้าไปแล้วตอนขึ้นเมรอรัสนะมันเลก้าพาท่านนบีเข้าไปในสวรรค์พอเข้าไปปั๊บมาเจอสัยานาบิลันเดินอยู่ข้างหน้านบีเห็นรองเท้าจำรองเท้าเก่าๆขาดๆนั่นแหละพอลงมาก็ถามว่าไซยนาบิลานฉันเข้าไปในสวรรค์ท่านยิบรีนพาฉันไปแล้วพอเข้าไปได้เจอท่านเน่เดินอยู่ข้างหน้าฉัน ถามว่าคุณทําอะไรที่เอาล้อผวาใจคุณนี่ไม่ได้ทำบิด้านะทําต่อหน้านาบีนะ่ะนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ใช่บิด้านาะงานะเนี่ยทําต่อหน้านาบีนบีถามคุณทําอะไรเ้าก็เล่าทุกครั้งที่ฉันฉันเนี่ยเก็บน้ำนำมาดเอาไว้ทุกครั้งที่น้ำนำมาดหมดฉันก็อาบน้ำนำมาดแปมฟันด้วยอาบน้ำมาด้วยอย่างอย่างอิสบากุลุดูนะครบ แล้วก็น้ำมาสองลูกาเป็นน้ำมาอะไรนะให้เกียรติอาบน้ํานมานบีว่าโอ้นี่เป็นความเป็นความดีนบีพอใจนะนี่เป็นเป็นสุนัขนบีไงท่านใครที่รักษาน้ําน้ำมาอยู่เป็นประจํานี่เป็นอามันที่ซอแล้วชนิดหนึ่งอ่ะท่านนบีเวลาทาเรื่องนี้อยู่เป็นประจํานบีว่าดีแล้วดีมากเลยอัลลอฮ์ทำอยู่เลยละเรืองตางแล้วคนเหล่านี้นะครับอยู่ในสวรรค์หมดอ่ะ กูรฟาสเนี่ยแปลว่าห้องหลายๆ ห, ห้องมาถึงวิมานเนี่ย <c oughs> มาถึงสวรรค์เนี่ยมีใครบ้างบนบีบรรดาณนาบีทั้งหมดอยู่ในสวนสวรรค์แล้วใครครับซิดดีกินอยู่ในสวนสวรรค์อชูฮดาอยู่ในสวนสวรรค์หมดแล้วก็วัดซอเ ล, ลียห์อีกคนที่มีอามันทูซอได้ทั้งหมดอยู่ในสวนสวรรค์หมดเลยนะครับแล้วคนเราในสี่คนนี่ยสี่กลุ่มเนี่ยสมัยนบนีนู่นอะสมัยเราก็ต้องเลือกเอานะคร <c oughs> าบเจ้่ติล่า อันนี้ทาําไมอัลลอ์เลือกเอาอีมานกับอามัณจุซอลแล้วเป็นตัวตัดสินคนพยาฟาโรอีมานใช่ไหมอยู่ในสวรรค์ฟาโรอีมานไหมไม่อีมานต่ออัลลอ์แล้วก็กอรูนอลัลลอ์ให้เงินใช่ไหมช่วยได้ให้เงินถ้าเงินช่วยได้กอรูนต้องไปถูกสูบนี่ให้แผ่นดินสูบเพราะอะไรเพราะว่าวันดามีเงินแล้วตะกบบอร์โอจองหองอวดดีเยอะยิง เตะท่ากลางนะครับแล้วก็เป็นไงครับอลัลลอฮ์ไม่พอใจฉะนั้นบุคคลที่มีสตังซอ บ, บ้านอบีมีอยู่คนชื่ออะไร น, นะอับดุลรอมานมบิน อ, าอ้าวอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรถือบวชลูกถามว่าอ้าวลูกพ่อไม่แก้บวชแล้วนั่งร้องไห้อยู่เนี่ยร้องไห้ทำไมฉันนึกถึงเพื่อนฉันคนหนึ่งชื่อมุสอับเขาเนี่ยร่รวย ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ดะตังเงินทองหมดถ้ะฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริสกีอย่า ก, กลัวว่าอัลลอ์จะให้เฉพาะบนโลกดุยัตอาฟิร์ไม่ให้นั่งร้องไห้ตรงนี้ทั้งคดใครที่มีสตังเยอะๆมีที่ดินปนพันไรนะอย่าไปหลงตัวเองว่าฉันแน่นะถ้าไม่มีอีมาอย่างเดียวนะเรียบร้อยเลยนะอัลลอฮ์อัลกุบฮุนลิลละตลงว่าอัลลอฮ์นี่นะ ไม่มองอินนัลลอฮฺละยัลจุรุอิลลาสุวาลิกุมวะลาอัมวาลิกุมว่าลักินยัลจุรุอิลลาคุลบิกุมวะอามาลิกุมอัลลอฮฺไม่มองคนที่ทรัพย์สมบัติและรูปร่างรูปร่างคุณอ้วนหรือผอมสเลนเดอร์ไม่อะไรไม่แต่อัลลอฮฺไม่มองที่ทรัพย์สินด้วยนะแต่อัลลอฮฺมองที่หัวใจของคุณคุณคิดอะไรอยู่ขณะ น, นี้แล้วก็อามันที่โซเลนเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่า น, น, น, น, นั่งในมัสยิดเนี่ยเป็นอามันที่โซเลนนะเนี่ยนั่งในมัสยิดเนี่ยเป็นอามั่นที่โซ นะคอัลลอฮ์ก็สั่ง น, าน้าอับดุลโมฮัมหมัดเอ้ย <c oughs> เวลาเห็นคนมีตังค์เยอะนะ่ะอย่าไปหลงกลว่าคนที่แกล้วนะไม่ใช่ <c oughs> ถ้ามีเงินเยอะไม่บริจาคไม่ประโยชน์ได้เลยนะ่ะพ่อให้ญาติพี่นอ้องอดๆ ย, ยาวๆตัวเองมีเงินเยอะไม่ช่วยใครเลยนะ่ะไม่ช่วยมัสยิดไม่ช่วยโรงเรียนเด็กกำพรนะ้านาถาไม่เคยช่วยใครเลยนะ่ะทํามีประโยชน์อะไรอนะ่ะมีแต่คน ชมฤด า, อ ย, าอย่าไปแตะแตะเยอะนะพีนน่น้องอาทีนี้ตัวลงว่าตัวที่จะช่วยให้เราก้าชีวิตกับเรามีอะไรบ้างอิมานมและอามันจิซอแล้วอย่างอื่นเพื่อนไม่มีถ้าใจสกาดถูกต้องอามันช่วยได้เหมือนกันนะนะบริจาคล้ ว, วก็ฮาดียะแล้วก็วกับเอาต่อมาครับ ในตับเสดบายดวาวีอธิบายบอกว่าจาจาอุดยัฟฟีนี่สอเท่าถึง10เท่าและถึง700เท่าอ่าเพราะอาจทับเสดระคาสบายใจในตับเสดกุตตูบีอธิบายเหมือนกันบอกว่าอัลารอดจะเพิ่มให้จาก2เท่าเป็น10เท่ายี่สิบเท่าถึง100เท่ามากกว่าที่อัลารอด กลาวไปอีกเจร้อยเท่าแต่มากกว่าอีกก็ได้มันอยู่ที่อามันแล้วก็หัวใจสะอาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับจากตับซีกกรุตูบีนะครับเอาต่อมาครับอายาที่สามสิบแปดวันละที่นัสะอูใช่บป่าใช่นีือยัวันละที่นัสะอู ไَ่ ي ช ي วะแล้วที่นََส่านะรบบีไม ي ใช่ ت ِ ن ล้วที่นยัส่ ي นะฟีอายِตินะมะจิซَ ذ อุล่าอีกาฟิลอาดับ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا م ُ ع َ ا ะِ ز ِ ي ن َ อุลาอิคบิลอาบิมุฮดะรุนอัลลอฮุอัยบาร์อสัสจะความหายเยอะามาดูสับกับวันละีนะบรรดาผู้ที่ยศเอาน้แปลว่าพยายามเพียนพยายามยศเอาน้แปลว่าเพียนพยายามอัลลอฮุอัยบาร์ฉะนั้นผู้ใดที่เพียนพยายามฟีอาญาตินา ในสัญญาณต่างๆในองค์การต่างๆในสัญญาณต่างๆของอัลลอ์นะครับมัอาจีซนมัอายดแปลว่าโคน่คนโค่นหรือทำลายทำให้อ่อนแอให้เห็นว่าอิสลามเนี่ยที่มาจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องไม่ดีนี่แหละพยายามที่จะพูดทำลายอิสลาม ต้องการที่จะโค่นอิสลามต้องการที่จะพูดให้คนนี่เกลียดอิสลามเนี่ยคนประเภทนี้เป็นเป็นยังไงนี่คนถึงถึงน ถ, ถ, ถึงพูดเราด้วยนะคาว่ากูรานนี่ใช่ไหมใช่สุนนะานีใช่ไหมใช่เรื่องศรัทธาทั้งหมดเนี่ยมีวันกิยามะมีไหมมีพูดจนกระทั่งคนไม่เชื่อวันวันวั น, ว, น, ว, นวันกิยามะใแล้วก็ตามนี้อัลล์ด่าอัลล์ สุนนนาบีไม่เอาพูดตรงกระทั่งคนไม่เอาสุนนนาบีเนี่ยคนที่วางแผนหรือต้องตามที่จะโค่นทําลายสัญญาณต่างๆของเรานั้นเป็นยังไงครับอุละยกาคนเหล่านั้นฟิลอาซาบีมูฮดารุนมูฮดบแว่ามาอยู่ต่อหน้าเขาอาซาบหมายถึงการลงโทษจะมาอยู่ต่อหน้าเขาเมื่อไรในวันตียามะ เข้าใจง่ายใช่ไหมอืมใครก็ตามที่อยู่บนโลกดุนยาแบบนี้จะอยู่ประเทศไหนก็ตามพยายามโค่นล้มพยายามทําลายอิสลามศาสนาของเราเนะี่ยดัดมองตกันข้ามใครที่สนับสนุนอิสลามจะดีขนาดไหนนี่ขนาดคุยว่าโค่นล้มนะต้องการจะทำลายอิสลามไม่ให้คนเข้าใจอิสลาม ถ้าเราม ja. ีเงินให้คนคนใจอิสลามดีหรือไม่ดีเปิดอบรมจัดอบรมรอให้คนมานี่มาฟังศาสนาเยอะๆรอไม่นอนมันยิ่งใหญ่ก็น่าหน่ากันวัลลาีนัยส์นัยวัลลาีนัยสอูน่าฟีอายาตินามูอาจิดีนบรรดาผู้ที่เพียรพยายามโค่นองค์การทั้งหลายของเรา ให้เห็นเป็นเท็จอพงูง่ายๆดีกว่าให้เห็นเป็นเรื่องไม่ดีเหล่านี้แหละจะถูกนํามาอยู่ต่อหน้าในวันกิยามาอัลลอฮฺอักวัตนําอะไรมานําการลงโทษมาอยู่ต่อนหน้าเขาเอัลลอฮฺเอาเรื่องแน่ครับแต่อยู่บนบนยาเนี่ยอลัลลอฮฺลงโทษไหมอ่าปล่อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปกี่วันเห็นทําไปเถอะจนกว่าจะตายโอ้ทีนี้ มีมีอะไรบ้างสุนานะนบีจะคนขวางขวางกันเยอะเหมือนกันน ะ, ะเช่นนบีสอนอย่างนี้นบีนี่นะไม่เคยตาหนิการเจ็บไข้ได้ป่วยนบีไม่เคยตำหนิการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนบีมองว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นมันหะเป็นมินหะเป็นรางวัล การเก็บไข้ได้ป่วยนบีมองเป็นรางวัลมองยังไงรู้ไหมลดความพิษเนี่ยถ้าเราทําใจของเราเหมือนกับที่นบีคิดนี่นะ่ะสบายบ้างอัลลอฮฺอักบาร์ไข้บ้างที่มาเก็บไข้ได้ป <Hello, Akbar. S 1> ่วยไหมบ้างมีมดอัลลอฮฺอักบารปวดหัวเป็นไข้แล้วก็มีมุซีบ้าเดือดร้อนเข้ามาคนนั่นดา่าคนนี้อะไรแต่ อ, อะไรได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วก็เครียดเหมือนกันนะ่ะ ถ้าศาสนาไม่มีกล่อมชีวิตไว้นะเดินตามเครียดนะฉะนั้นถ้าอ่านจากฮะดิษนบีนบีบอกว่ากาณัลาอย่ารุมบุลบาระวายรออันนหูมุนห่านบีไม่เคยตําหนิเรื่องเรื่องบาระทั้งหมดนะไม่เคยตําหนิเลยแล้วก็พูดไอ้คนดีใจอีกไปเยี่ยมคนป่วยอ๋อนบีไม่เคยพูดว่าเนี่ยไม่ช้าคุณจะตายแล้วนะไม่เคยพูดเลยไม่จะพูดว่านี่เป็นนะ ทดสอบจากอัลลอฮ์นะนี่เป็นอะไรนะเป็นการลดโทษนะเรื่องที่สองเวลานบะีไปเยี่ยมคนป่วยนบีทำเป็นแบบอย่างเอาไว้เราก็น่าจะทำตามนะหนึ่งนบีถามข้อที่หน่ถามว่าคุณอยากทานอะไรมาตาชตาฮีอยากกินอะไรเรื่องที่สองถามว่ารู้สึกตัวอาการเป็นยังไงที่เป็นสุน้านบะีทั้งหมดนะ เรื่องที่สามน่มีขอนมาเลยลาบะซาตหุรุนอินชาอัลลอฮ์เนี่ยภาษานี่เราต้องติดปากนะลาบะซาตหูรุนอินชาอัลลอฮ์การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรเลวนะตหูรุนเป็นการชำระให้สะอาดถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลฮัมดุลิลลา แล้วก็ถ้ามีการตายเกิดขึ้ น, นไปที่ครอบครัวก็อดท น, นอดท น, นอดท น, นอดทนใชนนนน่ไหมกี่เรื่องสีเรื่อง<ส>ไปเยี่ยมคนเนงไม่เคยตำหนิร<ส>เรื่องการเจ็บไข้ไดรัจปวดเนี่ยของดีๆอย่างนี้ไปขวางทำไมอ่ะนัก บ, บุสอนให้เราเข้าหาเอาล่คิดดีๆเจ็บไข้ไดรัจปวดเวลามีปัญหาไปรอน เอาของนบีที่นบีปฏิบัติเอามาสอนคนเนี่ยแล้วไปขวางทาไมอย่เอามาสอนนะเ ย, ย่าังเงี้ยคณะไม่เอาล้ออะไรกันลเลยนี่เอาล้อ <laughs> ใครคนทุกคนมีทุกหมดนะ่ะแล้วทุกยังไงที่จะมองเรื่องทุกเป็นเรื่องดีมันต้องฟังศาสนา น, นี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นอั ô, ลฮัมดูลิลลอลเอาล้อเล่านะใครที่ขวางนะ่ะขวางกูอ่านก็ดีอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราอ่านว่าไงคนที่ ฉันไม่อีมานต่อกุณอ่านใช่ไหมอายะซูราะคุณอ่านกุณอ่านเล่มนี้ฉันขวางหมดเลยฉันฉันจะไม่อีมานเป็นไงครับไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ทวงให้ยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ใช่ไหม่ะแล้วก็ด่ากันเองใช่ไหมเช่นอย่างครับฉะนั้น อ, อยู่บนดุนยาเป น, นี้กุณอ่านคือทางนํากุณอ่านคือทางออกกุณอ่านคือชิฟ้าเป็นยารักษาโรคหัวใจที่ดีที่สุดเราโรคอะไรไหมโรคอิจฉาทิษยา คนถ้าอ่านกรุรอานเนี่ยความอิจฉามันกจ็จะหมดไปทันทีนะในคงว่ามูอาิดีในในัสูรฮัตก็มีอีกคนที่พยายามโค่นให้อิสลามเนี่ยหมดไปจากโลกดุนยาใบนี้พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นชาวนารกพยายามจะทำลายอิสลามเนี่ยสำเร็จไหมจ๊ะสำเร็จไห ม, มไม่สำเร็จ เติกวนเชระเบอ์ต้องการจะทำลายอิสลามเป็นไงครับคนท้าอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพขึ้นต้องการจะศึกอิสลามคืออะไรอลัลลอฮ์อิมานตัลลอฮ์ตามมาเต็มเลยแล้วกัหนังสือที่ขายดีกยกับยิบุลานในในในในอเมริกาครับเอาต่อมาครับ <c oughs> <c oughs> คนที่เพียรพยายามทำลาย องค์การในตับเซตอิบนุกเซตอธิบายอย่างนี้ผู้ใดที่เพียนปิดปิดกัน้นไม่ให้ผู้คนเข้าหาหนทางของอัลลอฮ์นี่ก็เพียนพยายามคนลมอิสลามเรื่องที่สองปิดกั้นคนไม่ให้เชื่อฟังปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีอันนี้ก็ปิดปิดกัน้นเหมือนกันเรื่องที่สามปิดกัน้นไม่ให้ยอมรับสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เห็นเช่นนี้มีภูเขาระเบิดมีแผ่นดินไหว นี่ธรรมชาติอัลลอฮ์ลกอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวใช่ไหมนะ่ะเราพยายามคุยให้คนมนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการปิดกั้นความรู้สึกของคนอุลามาว่าอย่ า, อ ย, าอย่าทำมาพยายามนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนี่เหตุการณ์เหล่านี้นะคแสดงว่าคนตรงนี้น่ะมีเป็นคนช่วยเยอะอ่าห่างไกลศาสน า, าหรือเปล่าต้องเช็คตรงนี้เราจะเห็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างเนี้ย รวมใช่ไหมรวมตายไป ก, กี่คนเนะี่ยทางครอบครัวเราก็ต้องนึกนะอ่ะเพราะมีครอบครัวเราเป็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราอบรมลูกหรือเปล่าลูกเราน้ามาหรือเปล่าเรานี่น้ามาต้องต้องนึกตลอดเวลานะอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปคุยในทางอื่นที่ทำไปนคนเนี่ยหันจากอิสลามของอัลลอฮฺสุภาพนบวสั่งนะแล้วเอาต่อมาข้อพระยะที่สาสิบ قل إن ربي يبسط الرزق ل م ن يشاء من ع ب ا د ه ويقدره ل وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرزقين الحمد لله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من ع ب ا د ه و ي ق د ر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين ا الحمد لله والله أكبر นี่อายาที่สามสิบหกกับสามสิบเก้าเนี่ยคข้ๆกันะนะนะนะคล้ายๆกันมากลองดูสิอ่าคล้ายๆกันพูดถึงเรื่องรสกีอายานี้ตัวการจะเตือนอย่างนี้อย่า ก, กลัวเรื่องการบริจาคอย่า ก, กลัวเรื่องการบริจาบางคนมีเงินอนะ่ะไม่เคยบริจาคใครเลยมีไหมมีมอลัลลอฮ์รู้ เละประทานอันอนงคุลาลุมานะครับอย่ากลัวเรื่องการบริจาคครับเพราะบริจาคออกไปแล้วเท่าไร่ก็ตามนะอัลลอจะทดแทนให้ทั้งหมดอัลลออายะไหนควักไหนฟาฮูวาญุคลิฟูกากระบาดไว้เลยฟาฮูวาญุคลิฟูอัลลอฮฺนันแหละ ยูเลีฟูฮูอัลลอฮ์จะทรงทดแทนมันให้ทวีขึ้นอ่าทดแทนให้ทวีขึ้นทดแทนให้มากขึ้นกว่าเก่าคุณบริจาคใบพันหนึ่งนะอลัลลอฮ์จะเพิ่มให้อีเจ็ดร้อยเท่า อ, 7, 000, อ่ะอีเจ็ดพันน่ะเจ็ดแสนเจ็ดหมืนเจ็ดล้านน่ะต้องนึกตรงนี้อย่างนี้อีิมานเพิ่มไหมโอ้โหเห็นไหมน่ะนะฉะนั้นอย่ากลัวการบริจาคทีื่องสว่านอนาับี เขจะยินเรื่องอย่างนี้เราโอ้โหอักบัต์เอาไปเลยมาถึงท่านสะเสนอให้ท่านอุดรมานลินเอามาจากมัคการมาใช่ไหมนบีจับเป็นคู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมท่านมีบ้านหนึ่งหลังคุณเอาไปหมีบ้านสองหลังเอาไปหลังหนึ่งท่านมีสวนสองงานคุณเอาไปสวนหนึ่งท่านมีภรรยาสองคนเอาไปคนหนึ่งทำไมข้าก้าบริจาคทั้งสมรายการอ่ะเขาเพราะเขาเข้าใจเรื่องอย่างนี้นะบอว่า การบริจาคทุกชนิดนั้นอัลลอฮฺจะทดแทนเพิ่มเป็นทวีคูณหลายๆเท่าขอศรัทธาครับเราต้องการเพรอ่านกุงอารแล้วก็ศรัทธาเราโอ้โหทำด้วยแล้วการบริจาคเงินไม่มีแค่ยิืมก็ยังดีนบีก็สอนนะเงินไม่มีใช่มหมยิืมอยืมกับเมียยืมกับลูกยืมกับพ่อยืมกับแม่ยิืมกับเพื่อนบ้านแค่ยิืมอย่างเดียวอัลลอฮฺอัลลอฮรางวัลมีไหมมีอัลลอฮฺอัลลอฮ อ้ายิมไม่เป็นนะควรจะสบายเอาเดินตามสนามเจอของที่เป็นอันตรายริมถนนยิบขึ้นแล้วก็โยนไปไม่ใช่เออ ว, า, วางไว้ที่นี่แหละให้เดินเตกันล้อ ว, ว, ว่าคิดอะไรอ่ะนั่นเรื่องการบริจาคเนี่ยอันดะบีอธิบายไว้เยอะนะจ๊ะบริจาคที่ยิ่งใหญ่คือเสียสละร่างออกไปเลยปฏิบัติช่ยชีชนะบางคนเอาเงินไปก่อนก็ ม, มีปัญหาเอาเงินไป บางคนถดออกเองอย่างทางานศาสนาเนี่ยา ช, าชี้ฮะชอยีในสนามรอบนะ่ะเขาเอาร่างไปนะเงินไปไม่พอเอาตัวไปอีกอลัลอฮฺพาบัตไปดูแลงานศาสนานของอัลลอฮเอาต่อมาครับอักุรานก็ดูศั์นะครับกุลมุฮัมมัดเ อ, อ๋จงประกาศจงสอนจงตัปลีกจงดาวะอินรับบีแท้จริงพระผู้อธิบาลของฉัน ยับบสูตขยายให้กว้างขวา ง, o, งอัอลลอฮ์ให้ยังแพร่เลยอ้างออกไปหยิบปัระชาชนแล้วอัลลอฮ์ให้นะให้ย่างมหาสาเลยนะให้ยังเยอะเลยนะอัลลอฮ์อักบะต่อมาครับอาริสก็เครื่องยำชีอัลลอฮ์ o, จะขยายเครื่องยังชีมให้กว้างขวางลิมัยยาชาแก่ผู้ที่อัลลอฮ์สรงประสรงค์ มันก็อยู่กับอรรรคหมดเลยอ่ะันั้นเราอยู่กับอยรรคเยอะๆสิแล้วขอแต่มีอยู่คนหนึ่งนะนำมาสะอาดดีใหม่ๆสมัยนบีนะอัลล์มาหานบดบิบิครับช่วยขออุอาละชันรวยน่ันบดีิว่าอยู่สภาพนี้ไปก่อนต่อมามาขออีกมาหานาบีิหลายครัง้งนบีเิเลยขอดุอาให้ เอาล้อให้ที่สุกี้เยอะๆเยอะๆเอาล้อรับด้วยอ่ะเพรับปั๊บเลี้ยงแพะใช่ไหท่านสัตว์ระบาเนี่อนี่ไม่ใช่ชาวบ้านนี่เป็นมูนาฟิกน่ะคนมูนาฟิกกัอยู่กันนบีน่ะเอาล้อให้แพะไปอยู่ไปอยู่ไปแพะมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอพโยไปอยู่ข้างนอกอยู่หางมัสยิดขึ้นห่างไปห่างไปหาเวลายังเห็นน่ะอยู่พอแพะเยอะขึ้นหาหาเวลาหายวันศุกร์หายด้วย ไปอีกไปไกลไกลยนกระทั่งอโลนบีถามว่าซาลาบาไปไหนท่านการถามถึงคนคนหนึ่งนะเป็นาศาสนานะต้องนึกตรงนี้ด้วยนะพ่ออนบีเป็นห่วงคนก็ถามซาลาบาไปไหนอะ่ะเขาก็ตอบว่านู่ น, กก อ, น, อ, น, นอยู่กับแพะ่กันนอกนูนจนกระทั่งหายหน้าไปเลยนะ่ะสู้เราไม่มาเลยมาแต่วันอีดวันเดียวอโลก็นบีส่งคนไปเก็บปรกาศพูดพูดไม่ดีอะ่ะปะกาศไม่มี ตอนมหานาบีนะ๋ยนพูดอย่างนี้จะหาฉันรวยฉันจะดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัยพอรวยจริงแล้วยกระจายไหมไม่จายนบีก็เลยฉันไม่รับอะกาศของคนคนนี้พอรู้ข่าวว่านาบีไม่รับอากาศมาเลยถือเงินมานาบีอกไม่รับรอรอัลลอฮ์ตัดสินโอ้ยเสียนเสียใจแล้วนะ่ะอัลลอฮ์ไม่ให้รับราาอะ ก, กาศจนกระทั่งนบีตายอบูบะการะเป็นคอรีฟะ อาส ก, กัดมาเขาถามว่าน บ, บีรับเปล่าวน บ, บีไม่รับชั้นก็ไม่กล้ารับท่า น, นอาบูบการอุ ม, มัดสองสาวาตไม่มีใครกล้ารับส ก, กาดเสียใจอะ่ะฉะนั้นเวลามีสตังมีริสกีอัลลอฮ์ริกีมาเชื่อเงินอย่างเดียวนะความรู้ด้วยอะเก็บความรู้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรแล้วไม่สอนคนละสอนไม่ไอัลลอฮ์เข้าใจนะอ่าดูครับ กุลอินอับบสุตุริสกัลิมยาชาอุมิมนอิบะดีอัลลอฮ์น่อัลล์ลพูดถึงเบาวนอิบาดหมายถึงเบาของพระองค์เนี่ยอัลลอ์จะเลือกให้ใครก็ได้มีริสกี ก, กว้างขวางกระจัยสะบาใจนะแล้วก็ไม่ใช่อลัลลอ์รักด้วยนะอย่าลืมว่าเงินทองมีบนโลกดุญยานี้ให้เพื่อการไดทดสอบไม่ใช่รักนะ ยังไม่ได้รักใครเลยนะเพียงแต่ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอ บ, สอบรอให้รางวัลในโลกอาคือรอเอาต่อมาครับวายักอดีรูลาหูแล้วก็ให้คับแคบแก่เขาตันเสิอธิบายดีนะลาหูเนี่ยอายาตนี้ต้องการจะจะบอกให้มุมินผู้ศรัท ธ, ธาต่ออัลลอะ์คิดตามอัลลอะ์นี้อายาทนี้ต้องการให้มุมินเข้าใจง่ายๆนะ คือประธานลงมาเนี่ยตามที่อธิบายว่าไปสอนคนมุมินเรื่องริสกีเนี่ยว้ใจอัลลอ์เมื่ออัลลอ์ให้ริสกีใครกว้างกว้างกว้างขวางต้องนึกนะดูดูดูภาษาสิให้กว้างขวางก่อนแล้วก็แคบแคบมาทีหลังนะยาบุซูตุหอยากรดิรูเห็นไหมอะไรมาก่อนอ่ากว้างขวางมาก่อนอัลลอ์กว่าต้องนึกเยอะฉะนั้นเรานะมีเมีย ริสกี้ยังมีมีบ้านหนึ่งหลังริสกีแล้วมีรถหนึ่งคันมีบอตอร์ไหนึ่งคันริสกีแล้วมีลูก3ามสีคนได้นามาู้จักอัลกุรอานมีริสกีทั้งหมดญ า, าดพิโนนกอดีอัลลอฮฺอัลบาดเป็นริสกีทั้งหมดมีหูมีตายังไม่ได้เจ็บโด น, นเจ็บนี่เป็นริสกีทั้งหมดต้องนึกตรงนี้ด้วยนะห้ามดูแลนะก็ต่อมาครับ ว่ามาอัมฟักตุมมในสิ่ฟ้าหัวยุคลิฟมาแปลว่าอันใดหรือสิ่งใดอัมฟักตุมที่สูเจ้าบริจาคนาฟะก็นีบริจาคถ้าให้กับเมียเรียกว่าฟนนฟะก็ใชหให้กับลูกเรียกว่านาฟะก็ให้กับสุราเรียกว่าบักกัฟใช่ไหม ให้กับโตครูบ้างอะไรบ้างหาดียะใช่ไหมให้กับคนจนๆเรียกว่าสการุสซอาตะโกใช่ไหมมีสับเฉพาะอยู่แล้วจากนั้นอะไรก็ตามที่ท่านบริจาคมินชัยอินสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเล็กๆน้อยๆหรือใหญ่ๆก็ตามฟ้าหัวยุคลีฟูตรงนี้สำคัญมากครับนะครับฟาอัลลอฮ์จะทรงตอบแทน แทนทวีขึ้นแก่สูเจ้าอย่างแน่นอนแก่เขาอย่างแน่นอนอัลลอฮฺยุคลีฟูหวยไหมตัวรองประการบริจาคเนี่ยทําให้เงินลดไหมไม่ลดมิแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่ ม, มอะไรก็ตามที่มีอยู่นะเราบริจาคไม่จะเพิ่มนะความรู้กันเหมือนกันเนี่ยพอสอนไปสอนไปเพิ่มมากผมสังเกตดูตัวผมเนี่ยนอะัลลอฮฺพระผู้มีพทัยเราสอนสอน ถ้าเราจําหมดนะรอว่าว่ามันนึกเ น, น, น, นี่ยนึกมานึกเนี่้นี่นี่นี่อลอว่าว่ความรักออกมากันรักคนเยอะเยอะมันเสียหายที่ไหนฮะใช่ไหมลอลอว่าว่าจากนี้เป็นต้นนะอา่าจะต้องมีเงินบริจาคมีความรู้บริจาคสุขภาพแข็งแรงดีช่วยด้านกายอลอว่าว่าการช่วยทั้งหมดมีรางวัลไหมแลวม้วก็ยุคลิฟู a า l จะทดแทนให้แก่เขาเพิ่มเป็นทวีคูณอัลลอฮอักบะดว่ามาฟากตุมมิใชอินและอันใดที่สูเจ้าบริจาคจากสินใดก็ตามฟ้าูวายุคฤฟูอัลลอฮ์จะทรงทดแทนมันทวีขึ้นแก่เขาอัลลอฮฺอักบะต่อมาอัลลอฮ์มีลันในใกษณะแบบไหนครับ วะหัวคอยรุรอสิกีนอัลลอฮฺตอบต้งเนี่ยศักตรงนี้แหละสำคัญที่สุดและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเลิศอ่าประเสริฐที่สุดคอยรุ่นนี่นะคอยรุ่นเนี่ยคอนเคิลเนี่ยชื่อเดิมชื่อคอยนะคองคอยเนี่ยนี่ผมคุยกันผมคุยกับครูสุรินแลวก็ยอ่อผมเนี่ยชื่อเดิมมันคองเขิล ของอะไรคองดีแต่มาเพศเป็นของอะไรคองเคล็ดโอเต อ, อันนี้คุยนอกเรื่องวะหูวะคอยรู้รอจิตกีนและอัลลอ์เป็นผู้ทรงเลิศแห่งการรอจิกผู้ประทานเครื่องยังชีพที่ดีที่สุดคืออัลลอ์สุภานะหูวะตาลาให้ใจยงมกับอัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอ โอ้จะท่านจะขอทุกอาลักันเป็นน้องขอถ้ขอจะอลัลลอฮ์ให้หมดขอช่วงไหนดีที่สุดทานยุดให้ลูกหลานแต่งงานกับผู้ชายที่ดีมีศาสนาต้องขอครับให้มีริสกีกว้างขวางขอจอากอัลลอฮ์ครับอลัลลอฮ์จะต้องการอะไรอลัลลอฮ์ขอจอาก อ, อาลัลลอฮ์เพาอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีที่ดีที่สุดคนอื่นไม่มีสิทธิ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เป็น้อง ในตัฟซีดในภาษาอุรดูนี่นะอุรดูเนี่ยพิมพ์ที่รอบิโต้นะไม่ได้ผมเรียกงานตัฟซีด ท, ท, ที่รอบิโต้รับรองนะนะเขาบอกว่าการบริจาคนี่อลัลลอฮ์ให้อย่างนี้ให้สี่อย่างอลัลลอฮ์ดีมากนะครับเรื่องที่หนึ่งอลัลลอฮ์จะทรงเพิ่มภูนทรั์สินให้แก่เขาอย่างมั่นใจเลยครับเราเพิ่มแน่เรื่องที่หนึ่งนะ เรื่องที่สองอัลลอฮฺจะให้ให้หัวใจของเขาเนี่ยเกิดความเขาเรียกว่าพอเพียงกาฟาไม่โลภอ่าคนที่บริจาคเยอะๆนี่นะหัวใจของเขาอิ่มเ อ, อิรไม่เติมไม่ละโมกมันละโมกข้อที่สามนะครับอัลลอฮฺจะทําให้หัวใจของคนที่บริจาคนั้นเขาเรียกว่ากอร์นียูร์กอลบีหัวใจใหญ่ใจใหญ่อาเทพลังงานใจใหญ่ไหมชอบบริจาค คนนี้อยู่หลักเก้าหัวใจใหญ่หัวใจใหญ่นะแต่าบางคนหัวใจเล็กมีใช่ไหมอยากใครใครอยากกินหัวใจใหญ่บ้าง <c oughs> ดูแลคนช่วยเหลือคนสงสารคนเมตตาคนมายาวเหมือนกันนะ่ะบางคนใครเจอแค่เพื่อกลุ่มยี่ห้อนไปสักตานนึกขออ้ให้เขากอาบเรา อ, อย่างนี้เป็นต้นนะต่อมาครับข้อที่สีวันกีย็มะอัลลอฮฺจะทดแทนอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลย บันเกียมาห่ะเห็นยังครับนี่โอลิม่าของนัดวาเนี่ยเออพูดนัดวดวาจะว่ากระใจง่ายอะไรนัดวาเนี่ยพิมพ์หนังสือกูอ่านให้เราไปต่พิมพ์แล้วกันแจกอินเดียคนท า, ท, า ท, าทางทางทางประเทศเขาหนากี่ร้อยล้านอ่ะห <c oughs> ้ามดูเรื่องนี้เรื่องการบริจาคในตับเซตอิฟนูกาเซตอาิบายอ ย, อย่างนี้นะครับทุกเช้าเช้าเช้าเนี่ยนะมีมอลายกาสองอ ง, องค์จากชั้นฟ้านี่ลงมา มาเลย์กาสององนะองที่หนึ่งมาขออุดมอาอย่างนี้อัลลอุมม่าตีมุมสกันตาลฟันมาเลย์คาขอนะโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ให้เกิดความเสียหายกับคนที่ขี้เหนียวนี่อัลลอฮ์ให้มาเลก์กามาขอดุดมอาญ์อัลลอฮ์โ อ, อ้อัลลอฮ์โปรดประทานความเสียหาย ให้แก่คนที่มีทรัพย์สมบัติแล้วไม่บริจาคขอดีหรือขอไม่ดีมุ่งซีกันตาละฟันตาละะับแว่าเสียหายอ่ะอย่าเอาเลยพี่น้องครับเอาต่อมาว่าะกู้ดูอาคัล อ, อัลลอฮุมมาตีมุมฟซกันขอละฟันโออัลลอฮ์โปรดประทานทดแทนของรางวัลให้กับคนที่บริจาคเห็นไหมครับกลัว อ, อ, อีกองคหนึ่งขอให้พบกับความ ความอความวิบัติอีกองคหนึ่งขอลอเพอร์ริสกีทดแทนของรางวัลเงนยิ่งใหญ่ให้กับคนที่บริจาคบริจาคบริจาคบริจาคอน้องคนมุ่มินเนี่ยมันต้องนึกนะเราอยญ่เป็นคนขี้เหนียวเลยดเดินมาสู่เราก็ไม่อยากมาอะไรก็นะ <c oughs> ยิ้มก็ไม่ยิ้มสาลามก็ไม่ให้โอ้นี่นะอา้าอายัสุดท้ายนะครับ ย์ว ah uh um um ์มาจะพูดกับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันนี่คือสิ่งที่เราต้องทำกัน ลิลมาลาอิกาติอาอุลาออิยาคุมกานูยับุดูนอัลออ้ย่นี่พูดถึงนูน่นทุ่งมาชัดนูน่นอยู่บนโลกดุนยาแต่ให้คิดถึงโลกอ่าคือเราะที่ไหนในทุ่งมาชัดอัลลอเล่านะบอกกับนบีนะให้นบีมาสอนนะให้นบีรู้ด้วย เนี่ยความรู้อย่างนี้ให้กันนับบีมุฮัมมัดไม่ต้องเรียนยี่ปีลองมาให้ความรู้เราไกวามรู้สาดได้ไปต่อต้านอัลลอฮ์ทำไมวายามายาะซูลุมฺามายาะซูลุฮองนึกถึงนะวันหนึ่งวันซึ่งมีอยู่วันหนึ่งแน่นอนครับกําหนดไว้แล้ววันนี้แล้วก็มีใครรู้ด้วยนะมาไรก้าที่อยู่กล้าชิดอัลลอ์อัลลอ์ก็ยังก็ยังไม่เล่าให้ฟังด้วยนะ แม้แต่บัลลังก์อัลลอ์ที่ถูกแบกอยู่ตอนนี้นะั่มลัยคาที่แบกบัลลังก์ก็ไม่รู้ว่าวันกี่มากเมือ่อใดไม่เล่าไม่ฟังด้วยนะครับยามายาสุร ah uh um ุหุมจงรำเลือกถึงวันซึ่งอัลลอ์จะทรงรวบรวมฮะชารอยะที่แปลว่ารวบรวมตั้งแต่คนยุคแรกในสมัยนบีอาดัมยุคสุดท้ายคนสุดท้ายของนบีมุฮัมมัดรวมกันหมดเลย อัยังแล้วพูดอย่างนี้นะสี่ห้าครั้งในการพิรกุลาบางคนนี่นะครับเอาลองเอามารวมก่อนนี่นะรวมแบบไหนรู้ไหมพอนึกพอพารวมปั๊บนี่นะนึกถึงภาพดุญยาก็ถามว่าเข่งอยู่บนดุญญานานกี่วันลัมยันบาสูอินลาสาอาจัมมินันนะฮแล้วอยู่บนดุญญานี่แค่แป๊บเดียวแค่ครึ่ชงชั่วโมง ของกลางวันแต่ยังพอไปอยู่ในทวงมาชัดปับ๊บเนี่นึกหมดเลยนะ่ะอัลลอฮฺอักบารนึกภาพท่านอยู่บนดุงดานี่กี่วันอยู่ไม่กี่ชั่วโมงเลยแล้วปล่อยตัวยังไงอ่ะแค่สองสามชั่วโมงนะปล่อยตัวไม่รู้จักอัลลอฮฺจะสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์เสียใจอะ่ะอยู่นานไหมแป๊บเดียวผมฟังใบรรยนันอามัดลาห์ผอ่ะอยู่แค่สามนาทีอุลลอฮฺ เราว่ายาอ ย, อยู่ชั่วโมงนึกเอาตั้งไว้เถะแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยนะพอไปยืนอยู่ทุ่งมาซัดปั๊บนึกภาพดุนยาแค่ชั่วโมงเดียวแค่แป๊บเดียวเองแล้วปล่อยตัวทำไมถึงกันนี้นี่ขนาดนี้เอาต่อมาครับ <S <S ยะชูรุฮุมจะมีะวันซึ่งอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมพวกเขาทั้งหมดจะหมายแปลว่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหม ไม่ยกเว้นใครด้วยนะแล้วก็ซุมมาย่ากูแล้วอัลลอฮ์จะถามนี่ตรงนี้อย่าลืมนะอัลลอฮ์ถามนี่ยาหนักนะถามใครครับลินมาลาอิกาแล้วจะตัดแกมาลายิกาว้าถามมาลายิกะทําไมเราถามมาลายิกะเพราะมาลายิกาเป็นอย่างนี้คนอาหรับมุสริกมองมาลายิกาเป็นลูกสาวอัลลอฮ์ แล้วก็ถามไปอีกอาญาอื่นนะถามนาบีอีสาเอลฮิสลามท่านเคยสอนคนให้มองฉันนีเป็นพระเจ้ากับแม่ฉันเป็นพระเจ้าใช่ไหมเ <c oughs> ลาถามการฉันนบีอีสาอลซาตัวไม่เคยไม่เคยไม่เคยอลาวถ้าฉันพูดอลาวก็รู้เห็นอย่างครับ <c oughs> แล้วก็ถามอุเรศยะฮูดีเอก ค น, คนยิวนะครับที่เคารวะพวกอุเรศเป็นลูกอเลอเหมือนกันอเลอถามหมดแล้วใครที่บูชาจวเจวิตทั้งหมดอเลอถามจวเวิตเองอ่ะเคยเชิญชวนมนุษย์ให้กราบคุหรือเปล่าทุกสิ่งกาไปเ ค, ไเคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยลงเองแอย่างครับลงเองท่านปัญญาจะอเลอให้มาต้องคิดว่าไม่ใช่เดินตามไม่ใะ่หัวหน้า คนที่ที่แล้วว่างานนะอัลมุตสตักบ a r u คนที่อวดดีอวดโตเป็นหัวหน้าคนใช่ไหมถูกด่าวันนั้นเราเองอวดดีอวดโตอยู่บนดุนยาเนี่อวดดีอวดโตเจอถูกด่าในวันเกียร์มาอยู่ดุนยานี่เคารมกันเลยท่านท่านครับถูกต้องครับเธอเลยครับยุ่ยพังนั้นหมดเลยไม่เห็นเลยท่านจะทําได้ไหมแม่กาพูดอันนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอัลลอฮฺถามอะไรกันถามว่าไงนะ อาฮาอุลาพวกเขาเหล่านี้อียุมกาโนยะบุดูนที่พวกเขากราบได้กราบพักดีแก่มาลายิกอาอัลลอฮ์ถามนะถามมาลายิกาบอกว่าพวกเขาเหล่านี้ที่มนุษย์ที่ยอะอยู่ตอนน้นอลัลลอฮ์เนี่ยนะพวกเขาได้เคยเคารพพักดีต่อมาลายิกาใช่ไหม คุณเคยสอนเก้าวไหมเรียกร้องก้าวไหมล้วก็ตอบไงไ ม, ไ, มไม่เคยไม่เคยกลัวกันหมดเนี่ยนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็อได้เชิญตามสบายเถอะแต่เรื่องมึงมีมันมีจริงครับเรื่องกิยาม้ามันมีจริงครับ Allah. อล๋อหัวอกตัวแตนั้นเอาล่ะถามหมดเดีนี้อย่าลืมนะที่ทุ่งม้าชัดนะมีมี ม, มีมีอยู่รายการหนึ่งสะพานใช่ไหม สภาเรียกว่าไรซีิร อ, อยก็ลืมนะผมนั่งอ่นานหนังษผมก็กลัวเหมือนกันะนะนมาเช็คดูนามาผ่านผ่านหมดเลยอามันจะสอ่อแวผ่านหมด้าไปเจออยู่ตอนข้ามสภาเนี่ยมันมีซ้ายก็ขวามีอามานะกับญาติพี่น้องยืนรออยู่ญาติพี่น้องราเฮมกับอามานะเองเข้าไม่ได้ ญาตพี่น้องทะเลาะกันไว้แล้วย่มไมเคยคืนดีกันเลยยังนมาจผ่านอดอย่างหมื่นผ่านหมดญาติพี่น้องทะเลาะกันเข้าขสวรรคมาเคลียก่อนเคลียก่อนเคลียก่อนอา้าวพี่ญาติพี่น้องผ่านหมดอามาน่าอีกอะ่ะรับปากรับคำมาใครว่าจะทำนูน่นทำนี้เคลียก่อนเจอสองดาเนี่ยกันหนักแล้วนะแสดงว่าที่สะพานสีรอดเนี่ยมีอะไรขวางอยู่นะอามานนะกลับอะไรนะ ญาติพี่น้องจะขวางเราที่สะพานอะไรอยู่ซ้ายอะไรอยู่ขวาแเราเราไม่รู้นะที่ในเปรนเล่า อ, อย่างนี้ฉะนั้นเครียดให้หมดก่อนตายทะเลาอกับญาติพี่น้องไปหาเขาเไปฉันมามาอาฟูไม่ให้มึงไม่มีปัญหาเราซื้อทุเรียนไปให้ด้วยซื้อลุ ง, งอ้อมไปให้ด้วยไม่ให้ใช้กับบ้านนะนะเรากลับรอบหมดแล้วเห็นอย่างครับ ไปขอมาอับแลวเขาไม่ให้เรื่องของเขาเรารหมดแล้วนี้เป็นตนเรื่องอะไรก็ฉันเนี่ยเคยต่อว่าท่านไปเยอะ <laughs> ขอมาอับเลยไม่ให้ไปออกไปรอ <clears S 1> <Caroline> เราเรารอหมดแล้วนะนี่เป็นตัวฉะนั้นอามานะกับญาติพี่น้องสาคัญที่สุดนะครับรอลุทธะหมดแล้วนะสุภานะก็รอคุมาไปทมดีกัยวอิลลอิลละอันตะอัศกุลกวาตูอิละ وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.